สธรรษณ์ภัมเติม Timoshuckle 025921933สถานพัญญาบาลการแพทย์ผえนไทยประยุคศูนย์รังศิทย์โดยวิธีรายการภัทย์ผ่านไทยมหาวิทย zet รายเทคโนโดยราชมงคลทัญญาบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยสา né ศ А สตร์การ assemble through the world หัดทับบำบัตรนวดเพื่อรักษาโรคน wing specifically Sherlam Frynik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 สวัสดีค่ ะ, คะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ <around> อิงลิชเชลล์ยูอ๋อเก่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโ ล, โลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีด้วยระบบเอฟเอ็มความถี่ 89.5 เมกะเฮิร์ซคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต วันนี้พบกับดิฉันฉนุกหนาจีนสีดิฉันพุทธนาสวัสดโยธินเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการของเราออกอากาศในทุกวันพุทธแล้วเราจะอยู่ประจําในเวลาตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งเป็นประจําทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุทธที่ยี่สิบสามเดือนตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง ค่ะวันนี้นรายการเอ็งลิสต์ราวยูของเรานะคะนำเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะที่พวกเราสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีนะคะว่า บทสนทนานะคะที่เราสามารถนำไปถามเกี่ยวกับความสนใจในสไตล์เพลงนะคะแนวดนตรีความเพล่ของดนตรีนะคะเราจะพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรติดตามรับฟังกันเลยค่ะค่ะตัวอย่างนะคะถ้าเราจะถามนะคะบุคคลนั้นว่าชอบนะคะฟังเพลงใช่ไหมนะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า Do you like listening to music หนึ่งครั้งนะคะ Do you like listening to music ก็คือคุณเนี่ยชอบฟังเพลงไหมค่ะถ้าเกิดว่าเราสนใจนะคะว่าชอบนะคะที่จะฟังเพลงเราก็สามารถตอบไปได้เลยค่ะว่า Yes I do นะคะ Yes I do และอาจจะต่อด้วยประโยคสั้นๆง่ายๆนะคะ Especially when I'm feeling emotional หนึ่งครั้งนะคะ Especially when I'm feeling emotional ตรงนี้นะคะก็เป็นการอธิบายเพิ่มเติมข่าวบอกให้คู่สนทนาเนี่ยได้รู้ว่าชอบนะคะโดยเฉพาะตอนที่เวลาที่เราเนี่ยรู้สึกเซ็งนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเราอาจจะถามนะคะบุคคลนั้นว่าเนี่ยเล่นดนตรีเป็นไหมนะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า can you play any musical instruments อีกหนึ่งครั้งนะคะ can you play any musical instruments นะคะเธอเล่นดนตรีได้ไหมเนี่ย ค่ะถ้าเกิดว่าเราเล่นได้นะคะเราก็บอกไปเลยค่ะ yes นะคะ yes I can นะคะ yes I can ค่ะดิฉันเล่นเปนเล่นได้น ะ, ะและเราก็อาจจะตอบท้ายด้วยนะคะว่าเราเนี่ยเล่นเปียโนนะคะหรือว่าเล่นเครื่องดนตรีอะไรนะคะเราสามารถระบุได้เลยค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นเปียโนกับเชลโลเป็นนะคะเราก็จะบอกว่า I can play the piano インドのクランナーハー。And the จะหาได้ที่ไหนหรอนะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า where can I find the best traditional music of your country อีกหนึ่งครั้งนะคะ where can I find the best traditional music of your country ก็คือฉันเนี่ยจะหาการแสดงดนตรีประจำชาติเนี่ยของประเทศเธอได้ที่ไหนค่ะถ้าเกิดเราอยากจะแนะนำนะคะ เช่นอาจจะบอกว่าวงออเคสตราซิมโฟนีแห่งชาติเนี่ยจัดแสดงดนตรีนะคะประจำชาติที่โรงละครแห่งชาติทุกเสาร์อาทิตย์เลยเนี่ยเราก็อาจจะมีลักษณะการตอบคำถามดังนี้นะคะ The National Symphony Orchestra performs our traditional music in the state theater on the weekends อีกหนึ่งครั้งนะคะ The National Symphonic Orchestra は the、私たちの練習をしてるのです。 เท่ามาะะเราอาจจะพูดถึงเรื่อง CD นะคะเพลงหรือว่า DVD เพลงนะคะเราก็อาจจะถามนะคะคำถามนะคะโดยถามว่า Can I buy a CD and a DVD of this opera อีกหนึ่งครั้งนะคะ Can I buy a CD or ขอโทษนะคะ Can I buy a CD and a DVD of this opera ก็คือฉันเนี่ยจะหาซื้อ CD เพลงนะคะหรือ DVD การแสดง Opera เนี่ยได้ที่ไหนคะ่ะ ถ้าเกิดเราจะแนะนำเขานะคะให้ซื้อได้ที่ไหนนะคะลักษณะการตอบก็อาจจะบอกไปว่า Yes you can buy a CD and a DVD at any music shops or after the performance at the venue อีกหนึ่งครั้งนะคะ Yes you can buy a CD and DVD at any music shop or after the performance at the venue ก็คือบอกเขานะคะแนะนำเขาว่าคุณเนี่ยสามารถซื้อซีดีนะคะแล้วก็ดีวีดีได้ที่ร้านดนตรีนะคะ any music shop music shop ก็คือร้านดนตรีนั่นเองค่ะหรือนะคะ or นะคะ after the performance performance นะคะก็คือการแสดงการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีนั่นเองนะคะ at the venue นั่นเองนะคะก็คือหลังจากที่ ที่จัดงานนั่นเองค่ะค่ะลำดับต่อมานะคะถ้าเราจะถามว่าคุณเนี่ยชอบเพลงชนิดไหนนะคะเราก็จะใช้ประโยคนะคะคำถามภาษาอังกฤษง่ายๆว่า What kind of music do you like What kind of music do you like นะคะเราก็อาจจะตอบไปว่านะคะ I like to listen to jazz It relaxes me especially jazz songs with piano Ele I like to listen to jazz. It relax es me. especially jazz songs with piano.、So like、relaxes me, piano. to to songs jazz.、Pues、jazz 私はジャズを楽しむ。 I like to listen to pop music, it's quite a bit. Not to add that I also have a massive crush on Justin Bieber. Just looking at him makes me d r o l ตรงนี้นะคะก็จะมีความหมายประมาณว่าตัวฉันเนี่ยชอบเพลงแนวพ็อปนะคะพ็อปมิวสิกนะคะ is quite a beach นะคะบอกความรู้สึกเพิ่มเติอมลงไปนะคะให้แสดงความคิดเห็นว่ามันก็ของแนวมันๆดีนะและที่สำคัญนะคะตัวฉันเนี่ยก็ชอบนักร้องนะคะที่ชื่อจะสตินมีเบอร์ด้วยนะแค่เห็นหน้าเขาเนี่ยน้ำลายฉันก็ไหลแล้วนั่นเองค่ะ ะะหรือเวลาที่นะคะเขาถามเรานะคะว่าเราเนี่ยชอบเพลงชนิดไหนนะคะอย่างเชน่นในที่นี้เราชอบเพลงร็อกนะคะเราก็อาจจะตอบไปว่า I'd like to listen to rock it energizes me and I also love to headbang อีกนั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ I'd like to listen to rock it energizes me and I also love to headbang นะคะความหมายก็คือฉันเนี่ยชอบฟังเพลงร็อก It energizes me ก็คือมันเนี่ยเติมพลังให้ฉันนะคะ and I also love to hear bang นะคะ hear bang นะคะก็คือการฟาดหัวไปมานั่นเองนะคะก็คือเวลาที่เราฟังเพลงร็อ ก, ก น, นะคะเราก็อาจจะต้องอเขาเรียกอะไรเหมือนฟาดหัวลงไปเงแรงๆอย่างเงี้ยคะ่ะ การแฮสแบงนะคะก็คือเหมือนเราเนี่ยใส่อารมณ์ลงไปนะคะตามจังหวะของเพลงร็อกนั่นเองค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์นะคะเราก็อาจจะบอกไปว่า I like to listen to electronic dance music แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมค่ะ Whenever I hear good beats I just can't help but dance อีกหนึ่งครั้งนะคะ Whenever I hear good beats I just can't help but dance นะคะก็คือตรงนี้นะคะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อไรก็ตามนะคะที่ดิฉันได้ยินจังหวะโดนๆนะคะเฮียกูดบีทส์กูดบีทส์บีท์ตัวนี้ก็คือจังหวะนั่นเองนะคะตัวตัวเราเนี่ยตัวดิฉันเนี่ยก็จะเริ่มดิ้นเป็นหนอนเลยนะคะก็เป็นการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะแต่ประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่า I j 私は何も知らない。私はこれを見てみてください。WorldWideWeb.EnglishLife.EF.com。WorldWideWeb.His1:english.wordpress.com。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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999กลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองของรายการ English Raouy อีกแล้วนะคะ ทางคลื่น FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ซสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะในช่วงที่สองของรายการนะคะเรานำนะคะวลีภาษาอังกฤษนะคะที่ใช้บ่อยๆนะคะในหลายๆสถานการณ์นะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะค่ะถ้าเกิดเราอยากจะทราบคู่สนทนาที่ทำงานนะคะว่าเราเนี่ย ว่าเขาเนี่ยกำลังรอใครอยู่นะคะเราก็ถามเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะว่า Are you waiting for someone? Are you waiting for someone? ตรงนี้นะคะเราอยากจะทราบว่าคุณเนี่ยกำลังรอใครอยู่ใช่ไหมคะ Waiting นะคะคือการรอคอยนั่นเองค่ะ Someone คือใครคนหนึ่งคะ่ะค่ะ เป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะคะถ้าเราคุยภาษาอังกฤษเ ร, าเรื่องการทำการทำงานนะคะอย่างเช่นอีกประโยคนึงนะคะ Are you working today? Are you working today? ความหมายก็คือวันนี้เนี่ยคุณเนี่ยทำงานใช่ไหมนะคะวันนี้คือมาทำงานใช่ไหมค่ะถ้าเกิดเราอยากจะทราบต่อนะคะว่าคุณเนี่ยชอบหัวหน้าของคุณหรือเปล่านะคะเราก็จะถามว่า Do you like your boss? นะคะ Do you like your boss? ค่ะการพูดเรื่องงานนะคะอีกหนึ่งประโยคไหมคะ he is a very hard working he is very hard working หนึ่งครั้งนะคะก็คือเขาเนี่ยทำงานหนักมากค่ะค่ะถ้าเกิดอยากจะแนะนำนะคะว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทไหนแล้วก็อ น, นะคะเราก็จะบอกว่า he works at a computer company in New York อีกหนึ่งครั้งนะคะ he works at a Computer Company in New York ตรงนี้ก็เป็นการบอกว่าเขาเนี่ยทำงานนะคะ Works นะคะ He works นะคะ At นะคะบอกสถานที่ค่ะ At a computer company นะคะก็คืออยู่ที่บริษัทคอมพิวเตอร์ค่ะและแถมด้วยนะคะว่าอยู่ที่เมืองไหนนะคะเราก็จะใช้บุพบดอินนะคะอินนิวยอร์กนะคะก็คืออยู่ในนิวยอร์กนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นบทสนทนานะคะคุยนะคะอาจจะคุยกับเพื่อนร่วมงานนะคะว่าคุณเนี่ยทำงานที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วนะคะเราก็จะใช้ประโยคคำถามนะคะว่า How long have you, worked here? How long have you worked here? work e 時に e 時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時にานに何่に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何าに何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時に何เราก็จะถามว่า How many hours に何 e に何時に何時に何時に How many hours a week do you work นะคะ How many ก็คือมั้งเท่าไหร่นะคะ How many hours ก็คือกี่ชั่วโมงคะ่ะต่อสัปดาห์นะคะ Hours a week นะคะ Do you work ก็คือเป็นการขยายคะ่ะว่าที่คุณทำงานเนี่ยเท่าไหร่นะคะเป็นเวลากี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์คะ่ะค่ะคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องงานอีกหนึ่งประโยคนะคะ What do you do for work What do you do for work ก็คือคุณเนี่ยทำงานอะไรคะ่ะค่ะถ้าเกิดอยากจะทราบนะคะว่าพ่อแม่ของคุณเนี่ยทำงานอะไรนะคะเราก็จะถามว่า What do your parents do for work อีกหนึ่งครั้งนะคะ What do your parents do for work นั่นเองค่ะ Parents นะคะก็คือพ่อแม่ค่ะ ดูโฟล์เวิร์กก็คือทำงานอะไรนั่นเองนะคะโฟล์เวิร์กทำงานอะไรนั่นเองค่ะค่ะหรือถ้าเราจะถามว่าเขาเนี่ยทำงานอะไรนะคะ what does he do for work อีกหนึ่งครั้งนะคะ what does he do for work คือคือเขาเนี่ยทำงานอะไรคะ่ะค่ะประโยคคำถามต่อมาเนะะี่ยค่ะถ้าเราอยากจะทราบคู่เสนทนานะคะว่าคุณเนี่ยไปทำงานกี่โมงนะคะภาษาอังกฤษเราก็จะถามแบบนี้นะคะ What work charm day? to every do you go 何をしてるの ถ้าเกิดเราอยากจะทราบนะคะว่าเพื่อนของเราเนี่ยวางของชิ้นนั้นชิ้นนี้วางเอกสารไว้ที่ไหนนะคะเราก็จะถามว่า where did you put it where did you put it นะคะก็คือคุณเนี่ยวางมันไว้ที่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายๆสิ่งนะคะเราก็จะเปลี่ยนจาก each นะคะเป็น them นะคะเราก็จะได้คำถามว่า where did you put them where did you put them ก็จะได้คำถามที่ว่าคุณวางสิ่งเหล่านั้นนะคะไว้ที่ไหนตรงนี้นะคะเป็นคำถามที่ถามไปในรูปแบบของอดีตนั่นเองค่ะเพราะเป็นสิ่งหรือว่าเหตุการณ์การกระทำที่จบลงไปแล้วค่ะค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะเราอาจจะถามเพื่อนร่วมงานนะคะว่าตอนนี้คุณเนี่ยยุ่งอยู่ใช่ไหมนะคะอาจจะขอความช่วยเหลือจากเขานะคะเราก็จะถามเพราะว่าอายุบีสิอายุบีสินะคะก็คือคุณเนี่ยยุ่งใช่ไหม บทสนทนาต่อมานะคะเราอาจจะใช้ถามใช้พูดคุยนะคะได้เมื่อเราเนี่ยเข้าพักนะคะที่ที่โรงแรมนะคะหรือจะเป็นที่รีสอร์ทก็ได้ค่ะค่ะประโยคแรกนะคะเราอาจจะถามนะคะในกรณีที่เราเนี่ยนะกำลังทานอาหารอยู่ในโรงแรมนะคะแล้วอยากจะได้ขนมปังเพิ่มนะคะเราก็อาจจะถามว่า can we have some more bread please อีกหนึ่งครั้งนะคะ Can we have some more bread, please? ก็คือเราเนี่ยจะรบกวนขอขนมปังเพิ่มได้ไหมคะคำถามต่อมานะคะ For how many nights? นะคะ For how many nights? นะคะ How many nights? ก็คือกี่คืนนะคะ For ใส่เพื่ออยากจะซ้ำนะคะ For how many nights? สำหรับกี่คืนดีคะอันนี้นะคะก็อาจจะได้ยินเมื่อพนัก ง, งานต้อนรับเนี่ยถามเรานั่นเองค่ะ เมื่อเราจองห้องค่ะค่ะแล้วเมื่อเราจองห้องพักนะคะเขาก็อาจจะถามเรานะคะแน่นอนเขาจะต้องถามเราว่าเราเนี่ยนะคะจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่นะคะอาจจะใช้ประโยคนี้ในการถามนะคะ How long will you be staying? How long will you be staying? นะคะก็คือคุณเนี่ยจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ค่ะและเมื่อเราเจ็บป่วยนะคะเราอาจจะบอกที่โรงแรมนะคะว่า I need a doctor. I need a doctor. แปล ว, ว่าฉันต้องการหมอค่ะค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือเราเนี่ยอาจจะอยากได้แผนที่นะคะของเมืองนะคะที่เราไปพักในโรงแรมนะคะเราก็อาจจะต้องขอนะค ะ, ะที่โรงแรมนะคะโดยใช้ประโยคในการพูดว่า I like a map of the city I like a map of the city ก็คืออยากได้แผนที่ของเมืองนี้ค่ะค่ะเวลาเราต้องการห้องนะคะที่ไม่มีการสูบบุหรี่นะคะเราก็จะแจ้งความประสงค์กับ พนักงานนะคะพนักงานของของโรงแรมว่า I would like a non-smoking room I would like a non-smoking room แปลว่าฉันอยากจะได้ห้องที่ไม่มีการสูบบุหรี่นั่นเองค่ะค่ะในกรณีต่อมานะคะเป็นการจองห้องพักนะคะเราอยากจะได้ห้องนะคะที่มีสองเตียงนอนค่ะเราก็จะขลัองเขานะคะโดยใช้ประโยคที่สุภาพนะคะว่า I'd like a room with two beds, please หนึ่งครั้งนะคะ I'd like a room with two beds please ค่ะถ้าเกิดเราอยากจะไปเที่ยวนะคะในตอนกลางคืนนะคะเราจะถามหาไนต์คลับกับพนัก ง, งานโรงแรมเนี่ยเราจะถามเขาว่า Is there a nightclub in town Is there a nightclub in town แปละว่ามีไนต์คลับในเมืองไหมคะ่ะค่ะในกรณีต่อมานะคะเราถามพนัก ง, งานนะคะว่าออในโรงแรมเนี่ยมีร้านอาหารใช่ไหมนะคะ ใช้ประโยคว่า is there a restaurant in the hotel is there a restaurant in the hotel ก็คือมีร้านอาหารไหมในโรงแรมค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทราบนะคะว่ามีร้านค้านะคะอยู่ใกล้ใกล้แถวแถวนั้นไหมนะคะเราก็จะถามว่า is there a store near here is there a store near here แปลว่ามีร้านค้ากันนะคะใกล้ใกล้กับแถวนี้ไหมนี่นะคะแปลว่าใกล้ใกล้นั่นเองค่ะ ในกรณีอีกอันหนึ่งนะคะประโยคนี้ก็คือถ้าเราโทรไปจองห้องพักโรงแรมนะคะหรือเราไปจองห้องพักโรงแรมด้วยตัวเองนะคะแล้วห้องเดี๋ยวไม่ว่างเลยนะคะเราก็จะได้ยินคำพูดนะคะตอบกลับมานะคะจากพนัก ง, งานนะคะพูดกับเราว่า Sorry we don't have any vacancies อีกหนึ่งครั้งนะคะ Sorry we don't have any vacancies ก็คือเราเนี่ยไม่มีห้องว่างเลยต้องขอโทษ ด, ด้วยนะคะ และที่เราสองคนนำมาฝากนะคะก็เป็นบทสนทนานะคะที่น่าสนใจสามารถนำไปใช้ได้ในที่ทำงานนะคะและที่โรงแรมหรือว่าที่ที่เราไปเข้าพักก็ได้ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์เว็บดอทอังกฤษอินไดอารีนะคะทูเทิลเซนทรีดดอทบล็อกสปอร์ตดอทคอมค่ะ